ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นทั้งผอทั้งแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจของผู้นับถือพระพุทธศาสน า, า, า, าด้วยความลงใจเชื่อเหตเชื่อผลตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำขนาดใดจิตที่จิตใจของเราห่างเหินจากศาสน า, ษาเราจะเห็นผลหรือเห็นโทษแห่งความห่างเหินนั้น โดยลำดับลำดับนับแต่มากนับแต่น้อยจนถึงมากขณะใดหรือระย ะ, ะ, ยะใดจิตจใจเรามีความเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับศาสนาคือมีธรรมเป็นเครื่องระลึกอยู่เสมอภายในจิตใจสิ่งที่เป็งพึกเป็นภัยก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้จิตใจย่อมมีความนุ่มเย็นเป็นสุข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 คือความจริงหรือเหตุผลอันเรื่องความรักตนนั้นใครก็รักแต่การเข้าตนนั้นเข้าไม่ได้คำนึงว่าถูกหรือผิดจากเหตุหรือผลจริงเป็นความผิดสำหรับการเข้าข้างตัวอีกเป็นนิสัยแม้แต่สัตว์ก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะเขาก็มีสิ่งที่ขัดแย้งต่อทำ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 เพื่อดำเนินจึงจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสะดวกราบรื่นตลอดไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องเผลจนได้ด้วยเหตุนี้าศาสนากับเราจึงแยกกันไม่ออกแยกไม่ออกก็เพราะความสุข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 หรือรักลูกเต้าหลังนี้ ร, รักอย่ยังไงเป็นความถูกถูกต้องเพื่อจะให้ลูกดีสมความรักของเราเราต้องพยายามพร่ำสอนลูกของเราให้ถูกต้องตามเหตุตามผลอันจะเป็นไปเพื่อความเจริญโดยถูกต้องไม่เจริญแบบเสกสรรปัญญ้นยอดเฉยๆทั้งๆ ท, งที่ไม่ถูก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 เราคำนึงเสมอละพยายามนำเนินให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลคือความถูกต้องดีงามนั้นยากลำบากเราไม่ต้องไปถือสำคัญยิ่งกว่าความถูกต้องํำเนินไปตามนั้นจนมีความเคยชินเมื่อมีความเคยชินแล้วไเรื่องความอยากก็ไม่สามารถที่จะมากาั้นกลางของห้ามหรื อ, อกีดกันเราได้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 โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเช่นคบริกมเป็นต้นเมื่อจิตได้รับความย่อมเย็นเช่นนั้นกับคำว่าทมนั้นเราไม่ต้องไปถามความร่มเย็นนั่นแหละคือทมฝ่ายผลการระมัดระวังนั่นแหละคือทมฝ่ายเหตุการบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติ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 เพราะโลกหิวก็หายความสุกความเจริญความสมมากสมหมายมาเป็นเิลานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันถ้าพอนับกันได้ไม่เคยประสบพบเห็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ธรรมชาติที่เป็นความสุขความเจริญเลยแต่ได้มาเห็นซะแล้วทําไมจะทนได้ละ่ะเพราะความต้องการความหิวก็หายมาเต็มอกเต็มใจทําไมจะไม่ซื้อน่ะนี่เพียงขั้นจิตที่มีความสงบ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 ความผ่องใสแสดงออกมาก็แผ่ววแสงอันใดที่จะมีเป็นแสงสว่างที่นิ่มนวลที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าแสงสว่างภายในจิตภายในธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่มีในโลกทั้งสามนี้นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งร้านนี้แหละคนจะรุมมากยิ่งกว่าร้านที่แรกสินค้าประเภทนี้จะถูกรุมมากยิ่งกว่าสินค้าประเภทที่กล่าวมาแล้ว เบื้อนต้นนั้ น, ส, นสินค้าประเภทที่สามจิตมีความคล่องแคล่ ว, ล ว, ลวกล้ามีสติปัญญารอาบตัวสว่างสวัยทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนหมุนตัวอยู่ด้วยธรรมจักสง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้มทั่วโลกดินแดน เพียงขนาดนี้ก็สว่างกระจ่างแช่่ไปทั่วโลกดิ น, ดนแดนแล้วแม้จะไม่เต็มภูมิก็ตามนี่สินค้าประเภทที่สามนี่โลกจะรุมกันท่าธรรมดาเหมือนอย่างโลกทั้งหลายนะเขาแย่งอะไรกันเหมือนโลกทั้งหลายแล้วคน ด, ดีไม่ดีฆ่ากันเพราะกลัวจะไม่ได้นี่แล้วประเภทที่สี่ประเภทที่หมดจดงดงามอย่างยิ่งไม่มีอะไรเหลือหรอแล้ว ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่จะลดคุณค่าแห่งธรรมชาตินี้ไม่มีเจืออยู่ภายในสินค้าประเภทนั้นเลยเป็นสินค้าวิมุตต์หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงได้แก่ดวงจิตพระอรหันต์ท่านสินค้าประเภท น, นี้กระเทือนทั่วโลกกระแททีเดียวนี่แม้แต่อยู่สัตว์อยู่ใต้ดินหรือนรกอเวจีก็ถ้าพอมาได้จะเพ่นขึ้นมานารกแตกเป็นไรนจะว่างไง เพราะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหนือโลกเหนือสองสารนี่อำนาจของจิตความสงาา่าผ่าเผยความมีคุณค่าของจิตเป็นสิ่งที่ชนะได้ในโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นธรรมจึงเหนือโลกโดยประการทั้งปวงธรรรถแหงธรรมก็ชนะรถทั้งหลายแหน่ฟังเลยไม่มีอะไรที่จะเหนือรถแห่งธรรมได้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 ก็อยู่ภายในนั่นแหละนี่คืออะไรคือกกเลตซึ่งเป็นสิ่งโสมมมมันครอบเสียหมดจึงเรียกว่าจิตมันเปรอะมันเปื้อนเปื้อนด้วยสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีอะไรอัศ จ, จรรย์แม้สุดท้ายผลสุดท้ายเจ้าของอยังน้อยใจตำหนิตีเตียนตนเองว่าไม่มีวาสนาะบุญน้อยวาสนาน้อยก็เพราะธรรมชาตินี่แหละ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 โพออกมาบานประตูให้มองเห็นบ้างไม่ถูกปิดไว้อย่างมิดฉิดจนมองหาตัวไม่เห็นเลยทั้งๆ ท, ที่คนก็อยู่ในบ้านนะั้นนี่ก็ทั้งๆ ท, ที่กิจก็อยู่ในที่นี่แต่ถูกกิเลสปิดบังไว้หมดมองหาธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษจนไม่มีเลยกลายเป็นคนหมดคุณค่ามูลค่าไปหมดทั้งๆ ท, ท, ที่คนคนนั้นเป็นคนสาคัญคนหนึ่งจิตดวงนั้นเป็นจิตสําคัญดวงหนึ่ง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 ที่จะเกิดผลลงในบึงในบ่อน้ำไหนเข้าไปเถอะน้ำล้างบาปล้างบุญอย่างที่เขาพูดกันอยู่ตามเมืองอินโดอินเดียเนล้างบาปล้างอะไรล้างไปเถอะไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เพราะไม่ใช่ฐานะที่จะทำบาปกรรมหรือสิมมัวหมองทั้งหลายอยู่ภายในใจนั้นให้หมดไปได้ด้วยน้ำนั้นๆ น, น, นอกจากน้ำสีน้ำธรรม น้ำใจที่เต็มไปด้วยศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเป็นน้ำสำคัญที่จะชำระสิ่งที่สศกตกอยู่ภายในจิตใ จ, จนี้ให้ออกได้กลายเป็นใจที่มีความสง่างามขึ้นมาภายในตนแล้วจะเกิดความอัศจรรย์ภายในตนโดยไม่คาดฝันนี่เราอย่าไปตำหนิโทษอันใดอย่าไปตำหนิโน้นอย่าไปตำหนินี้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 ไม่ดีทั้งหลายเราจะไปแก้ด้วยความบุญเพื่อละเมอไปต่างๆถึงกับการตําหนิปิเดเทียนอํานาจวาสนาของตนตําหนิตนมาเกิดมาเป็นปนอาภาพัพแบบนี้เป็นความผิดเช่นเดียวกับการเกาไม่ถูกที่คันเกาลงที่มันพาให้เราเดือดร้อนเพราะอะไรให้พิจารณาลงตรงนี้อันนี้แลคือไฟอันนี้แลคือตัวภัยให้แก้ตรงที่ตรงนี้ด้วยความอดทนด้วยความเพียรของเรา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 ในขณะเดียวกันเราจะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ซึ่งมีอยู่ภายในของเราคือความรู้อันนี้แหละจะแสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผยโดยไม่มีอะไรปิดบงังเช่นดังที่เคยเป็นมาพระพุทธเจ้าท่านพิเศษเพราะท่านถอดถอ น, ท, นท่านชั้นล้างสิ่งสกปรกสิ่งกดทวงสิ่งตัดทอนความดีทั้งหลายออกออกจนหมด ไม่มีภายในพไทยจึงสมนามว่าเป็นศาสดาแท้นะมันชค่ศาสาตาทั้งทั้งที่มีกิเลสโสมมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเป็นศาสดาหรือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์เพราะสิ่งโกรกโกรกทั้งหลายนั้นได้หมดไปจากพระไถยสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าดําเนินไปในทางสายเดียวกัน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 ที่เกิดขึ้นแห่งความสมบังมีทางเดียวนี้เท่านั้นนี่แหละการสร้างมาสนาการฟิตตัวให้ดีก็ฟิตตรงที่ตรงนี้คือแก้สิ่งที่ไม่ดีภายในจิตใจของตนเราจะได้เห็นร้านค้าของเราสินค้าของเรามาเป็นของอัศจรรย์มากน้อยเพียงไห่ภายในใจของตนในระหว่างขันกับกิจเราจะได้เห็นชัดชัด ว่าขันต่างห้ามนี้รูปประขันเป็นต้นก็เหมือนกับร้านค้าใจที่ทรงคุณธรรมไว้โดยตามขั้นภรมของตนก็เป็นเกี่ยบเหมือนกับสินค้าตามขั้นแห่งสินค้าที่ตนมีคุณค่ามากน้อยภายในใจเพียงไรจนกระทั่งถึงสินค้าอันประเสริฐสุดคือวิมุตตหลุดพ้นภายในจิตใจนี่แหละท่าน ทันเรียกว่าสินค้าอันประเสริฐรังที่ได้กล่าวมาในเบื้องตน้นไม่ปลอมเป็นสินค้าที่จริงองคอาจกระหานท้าทายได้ภายในตนเองไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดไปที่ใดไม่ตำหนิดินฟ้าอากาศไม่ตำหนิสถานที่นั้นทีน่นี่ไม่ตำหนิผู้คนหญิงชายไม่ตำหนิดินฟ้าอากาศไม่ตำหนิอะไรทั้งสิน้นเมื่อสิ่งที่ตำหนิ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 หรือสินค้าอัศจรรย์นั่งอยู่ก็ครองสินค้าอัศจรรย์ไม่อยู่เดินไปไหนก็คลองสินค้านี้ดูก็คลองตายไปแล้วก็ครองสินค้าอันนี้แหละไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถอำนาจวาสนามา ก, กดฉี่บังคับหรือแย่งขิงเอาสินค้าประเภทอาัศจรรย์ของเราซึ่งเป็นสมบัติของเราแท้นี้ไปได้อันนั้นจึงขอให้พากันพยายามชำระ สิ่งสกรปรกทั้งหลายภายในจิตใจซึงเป็นสินค้าอันประเสริฐของเรานี้ให้หมดไปหมดไปให้เหลือแต่ทองทั้งแท่งให้เหลือแต่ธาตุแท้คือมโนธาตุที่บริสุทธิ์แท้นั่นแหละคือแดนแห่งความสงหวังแดนแห่งความสุขความกเกษมก็คือที่นั่นแหละไม่มีที่อื่นใดในโลกทั้งสามอยากคิดให้เสียเวลามีลา มาไปที่นั่นจะดีไปที่นี่จะดีมันหลอกเจ้าของทั้งนั้นแหละถ้าตัวการตัวก่อกรรมก่อเวรก่อเหตุหรือตัวยุ่ยแย่ก่อกวันี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจเนี่ยมันจะหลอกไปเรื่อยๆายจนขาปุดขาขาดมันก็หาความสุขไม่มีมันจะหลอกไปจนกระทั่งขาขาดแล้วไม่เจอความสุขดังที่มันหลอกนั้นเลยฟังแต่ว่าหลอกนั่นเถอะแต่หลอกไปเรื่อยๆหลอกไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆ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 เลิศโลกขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในโลกนี่แหละท่านผู้ประเสริฐไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเหาะเหินเดินฟ้าขึ้นไปที่ไหนจึงจะประเสริฐยู้เฉยๆธรรมดาเหมือนโลกก็ประเสริฐเพราะประเสริฐที่กิจไม่ประเสริฐในที่อื่นใดขอเรียนรำบาปพิณิพิจานาการแสดงธรรมขอเห็นมาสมควรจึงขอฤติเพียงเท่านี้